จะเดินตอนแย่เดยมทุกคนนะอันนี้ก็เดือนกรกฎาสนะอ 00, 9, นันหารอยหาบเก้าก็อีกสามวันนะก็จะเป็นวันวันอะไรมีตอมสำคัญยังไงนะเป็นวันที่สำคัญยไง จากเออโบราณทศปฏิโมกไม่ใช่ไม่ใช่โบาณทปาฏิโมเป็นบรรยุดใช่ไหม <c oughs> เป็นบัรเุทธอ่าปีนี้เป็นห้าวันอ่าการจัดการอ่เป็นห้นนาวันวันอาสาละก็คชาก็เนี่ยแหละที่เราสวดมนต์สักครู่เนี่ยนะที่เรียกว่าบวพรสู่ ธรรมจักรประภันธนสูตรนะคือการแสดงธรรมขั้นแรกของพระพุทธเจ้านะท่านตัศนุธรรมะในวันเป็นเดือนหกวรนวิสาขุวิาชาแล้วก็อีกสองเดือนถัดมาคือวันเป็นเดือแนแปดท่านเดินทางนะจากจากพุทธคยาเดินเท้ามานะมาที่ปรารีสปันรนเมตุคายาวันห้ เนืองพารณสีมีในแบมีฤษีอยู่ห้าอยู่ห้าต น, นที่เคยอุปรรถัมภ์ดูแลท่านแล้วก็มีท่านออกมาเขาคิดว่าท่านมาเสวยอาหารคงกลับมาหาความสุขทางโลกอีกแล้วเขาก็เลยเดนนนนินมีท่านมาตอนแนกเขาคิดว่าท่านมารู้ธรรมนั้นแน่ ตอนนั้นท่านบงเป็นคุปตระคริยาแต่เดินมาหาปัจจกคีทสัมพ้าปัญจกคีทสัมพ้าก็เดินหนีท่านนะถ้าเป็นเราไงเดินออกมาล้วัไกลนะหลายวันนะพอเดินมาหาเขาจะมาสอนเขาเขาเดินหนีเขนนานัดแน่ใจเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาตาะแยงไกลแล้วก็อืี๋ยวเราจ ะ, ะเดินหนีเขาเราจะนักกันนะว่ะสาสมัยนั้เนี้ยท่าน ผมไม่รู้ทำมาแล้วแหละนะเราจะ่ต้อนรับก็เลยนะเราหนีท่านจากไปเถิดพระเจ้าคีก็หนีโพ้ชเจ้าไปนะไปอีกปลายที่หนึ่งที่เรียกว่าปลายทิสิ่ไปนะี่ยประนนทันะมรุษพายอยูว่วนนะแต่ไปก็รักแน่ตะกีะ้แหล่ะคร่านี้ดึงตัวดึงตัวโค้เจ้ามามาใกล้ใกล้ก็ ในยตัวที่นั่งให้กับท่านแล้วก็ตอนแรกก็ทําว่าทําตัวว่าจะไม่สนใจท่านท่านมาก็มาแต่เราจะไม่สนใจท่านแต่ด้วยความน่าจะเป็นวาสนาวาสนาที่จริงแปลว่าการการสะสม น, นะการสั่งสมไม่ใช่วัสนาแบบเป็นประเภทโชคเือนถูกหวยคือมีวาสนาดีนะรวยวาสนาดีที่จริง วาสนาที่นกะ็คือการสะสมบารมีนะของแต่ละคนนั่นแหละนะสะสมบารมีมาไม่รู้กี่ครบรุ่ชาตนะิหรือสะสมบารมีในชาตินี้นะ่ะมันก็เป็นวาสนาเนะี่นหือนเราเรียนจบนะเราสะสมอะไรสะสมเกียรติสะสมเนี้กี่ชั่งใช่มสะสมเวลาเรียนเนะี่ยคือคือบารมีของเรานะใช่ไหม แต่เรียนจบแบบเอาเอาเงินไปซื้อเกตเอาเงินไปซื้อไปประกาศอันนั้นอันนั้นยังไม่ใช่บารมีจริงนะก็คือเราสะสมเนี่ยสะสมความรู้ในแต่ละในแต่ละวิชาในแต่ละสิ่งต่างๆะก็เลยเป็นบารมีปัจจัยวิเคราะ์เองท่านก็สะสมบารมีของท่านมาพอสมควรพราะพระเจ้าเองนะ ก่อนท่านนู่นนะท่านเป็นดาวดมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นฤาษีนะครับเป็นฤาษีพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะท่านแบบลงมาจากออกมาจากป่านะมามาที่เมืองที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเห็นชาวบ้านกาลังทําทางอา่าให้พระพุทธเจ้าแล้วก็คณะสมเดินทาง แต่ปรากฏว่าเขาก็ได้ําเต็มที่นะแต่ปรากฏว่าต้องมีทางหยู่ช่วงหนึ่งที่มันจะเป็นบ่อเป็นหลุนเป็นโคลเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงตรงนั้นนะ่ะดาวดกตรงนั้นคุณเมธัดดาวดกชนะนอนไปที่โคลตรงนั้นคล้ายทายให้พระพุทธเจ้าแล้วก็ให้หมู่สาวก็เดินผ่านไปพอพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นท่านเดินผ่านะ สุเมธาดา บ, บุท่านเลยพยากรนะพยากรไม่ใช่ขันดาวนะพยากรของพระเจ้านี่ชัดเจนว่าถ้าพระพุทธเจ้าพยากรนั่นถือว่าคนเนี้แหละบอกว่าดาบุตรคนนี้ยต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตชื่อว่านะชื่อว่าอะไรพิธาถัดพิธาถัดโคทรพิธาถัม พอพุทธเจ้านะก็เบเ ร, รมีบารมีเท่าไหร่สี่อสมยัยแสนมหากับคือเยอะมากคำว่าอสมัยเนี่ยอสมัยก็คือประมาณไม่ได้นะเหมือนอเหมือนอินฟินิตี้อลยนะ อ, อสมัยก็คือแบบโลกเกิดดับมาไม่รู้กี่ครั้งกี่คนะแสนมหากับนะมันนานมากแต่ก็นานแบบ เร็วถือว่าเร็วมากนะพระเจ้าพ่องอมปัจจุบัาลนยถือว่าเป็นผู้ที่ตัดสินุธรรมะเร็วเพราะว่าท่านบำเพ็ญบารมีในทางปัญญามากเป็นผู้ที่เป็นสมาธงพุทธเจ้าในทางปัญญาวิมุตติเลยตัส ด, รรดสิดรรนสรรเออุเร็วพนาตัดสินุเร็วก็ยังมีเรียกว่ามี พระพุทธเจ้าที่ ร, รับการพยากรณ์องค์หนึ่งเหมือนกันนะที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจาเเ้าเป็นเรีย เ, เป็นโพธิสัตว์อิจฉาออขณะเป็นโพธิสัตว์เป็นอิจฉาได้นะที่เราได้ดูหนังที่เราได้อ่านในหนังสือว่ามาันจะเป็นยังไงนะพญามารพยามารที่มาหลังฟานพระพุทธเจ้าในตอนที่ตัดรู้พยามารที่มานิมนพระเจ้าให้กระดิญนิพพาน พรยามาณพนั้นแหละนะสุวัสดิ์สวัสดีมาณก็คือโปริีสัตว์องค์นึ่งโปริสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์นะว่าต่อไปเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่พอเอิญว่าท่านอิจฉาอิจฉาที่พระเจ้าองค์ปฏิบนะัติเนี่ยได้ตัดกระลูก่อนตัดกระรู้ก่อนท่านที่จริงท่านก็ได้รับการพยากรณ์เหมือนกันแต่ท่านเออ่ยังไม่ตัดกรู้นะ ก็เคยอิจฉาว่าเพระองค์เนี่ยตัดรู้ก่อนเราอันนี้ขนาดเป็นบริษัต์นะขนจะเป็นพระเจ้าก็ยังมีจิตอิจฉาพยาบาปเดเย็นเยนแล้วมีนะเนี่ยบางทีนะความเป็นมากับความเป็นพุทธนะมันก็อยู่ด้วยกันนะเนี่ยบุคคลคนหนึ่งที่บางเพ็ญตนจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยคน ก็ยังมีมาอยู่ในตัวเยอนะนะฮะนี่คืออย่างในสภาวะที่เขายั ง, มยงไม่พ้นจากความผู้จริงนะยังไมีผู้คนจริจริงมันก็จะมีแบบนีน้เป็นธรรมดางนั้นพวกเราเองนะเป็นในล้วก็มีเหมือนกันเนาะบางช่วงก็เป็นมารบางช่วงก็เป็นตาเป็นเทวดาเป็นนางป้าบางครั้งก็เป็นปีศาจเป็นอสุ ร, รกายเป็นเดชาเนีย ทีเนี้ยเราก็มีไม่ต่างจากพระโพธิสัต์นะแต่เวลาเรากำนังบังเค็นบรารมีก็ดีนะแต่คมาักพวกล้บานมากระจนใช่ไหมมีคนมาขัดขวางทางบุญของเราหรือมีมารมาเกิดขึ้นกับสังขารร่างกายของเราทาให มันนั่งไม่ได้นานเดินไม่ได้นานน่ะนั่นงนี้ไม่ได้เรามองเป็นมาร <c oughs> ถ้ามองเป็นมานมันก็ใช่แต่ที่จริงมั่นอย่างที่ว่าถ้ามานไม่มีนะบารมีก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าเอ ง, เงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้ามานไม่มาลังความมจริงเนะี่ยท่านจะสาุวันนะั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมใช่เพราะมีอะไรมี มีมารมาย่อดยวนมีมารมากาะกวนท่านก็เลยได้บำเพ็ญบารมีมากขึ้นจนท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนื้นสือสิ่งที่ท่านบำเพ็ญท่านเห็นตรงนี้แล้วก็มาสอนต่อพวกเราถือว่าบรรดาสารธรรมบุโรชานะี่ยถือว่าเป็นมันสําคัญมากมา ก, มากมเลยเพราะว่า ถ้าท่านรู้ทำ ม, มากเองแล้วก็ไม่มาสอนต่อเราจะไม่มีพระพุทธเจ้าองปัจจุบันนะเราจะเรียกท่านว่าเป็นปัจเจรกับพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดสู้เองแต่ไม่ได้สอนคนอื่นอ ไ, ไ, ไม่มีภาษาบกไม่ไม่มีศาสนาสืบต่อมาก็าจะเป็นเพียงแค่ปัจเจรกับพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงมองเห็นแล้วว่าคนมันมีหลาย จำพวกหรือเรียกว่าสายเกณฑ์เนานะ <laughs> มีหลายระดับ<ะ>แต่ไม่นใช่แบ่เกณฑ์ตามฐาน ะ, ะหถือว่าตามห น, น, น, น้รร า, า, านนตาทางถือว่าทางสระสานภาพทางสังคมแต่แบ่งเกณฑ์ตามสติปัญญาอคำว่าแบ่งเกณฑ์ตามสติปัญญาถือว่าบางคนถ้าท่านพูดต่อไปแสดงทางไปนิดนึงเนี่ยเขาก็ สามารถที่จะเข้าใจได้บางคนก็ต้องสอนหลายครั้งนะย้ําหลายหนนะเขาก็เข้าใจได้บางคนต้องย้ำแล้วย้ําอีกนะเคนะี่ยวนะเคี่ยวม้วนปวดขันนะก็ถึงจะเข้าใจได้บางคนย้ำไม่เท่าไหร่ก็สื่อเปล่า <c ười> แต่ก็จริงไม่ได้สื่อเปล่าแเด็ดเดียวหรอกนะแต่จะต้องผ่านไปอีกหลายครหลายชาตินะ ถ้าเขาไม่ทิ้งทางนี้เขาก็คงจะเข้าใจได้ท่านก็เลยเปรียบเทียบบุคคลเป็นเหมือนบัวนะบัวที่พ้นน้ำก็มันก็เกิด อ, อยู่ใต้ตคนตมเหมือนกันใช่ไหมแต่กลิ่นนะว่าเขาผ่านวันเวลามาพอสมควรจนท่านวันนี้นะ่ะได้รับแสงพระอาทิตย์ก็เลยพ้นจากน้ําแล้วนะแต่ที่จริงเขาก็เคย อ, อยู่ใต้โคนตมเหมือนกันนั่นแหละ พวกเราเองนะก็เช่นกันเราจะไปเปรียบ เ, เ, เทียบกับพระพุทธเจ้าอย่าจะอย่าไปเปรียบ เ, เ, เทียบกับพระอรหันต์ต่างๆนะเราจะไปมองว่าเราเป็นคนมีปัญญาน้อยเราไม่มีวาสนาเราก็ไม่มีโอกาสได้เข้าใจธรรมะเข้าถึงธรรมะหรอกนะอย่าคิดอย่างนั้นนะ <c oughs> ให้มองการ ปฏิบัติธรรมให้มองการศึกษาธรรมะคือการพัฒนาตัวเราเองนะมองเป็นเรื่องการพัฒนาไม่ใช่มองเป็นเรื่องการเปรียบเทียบนะถ้าเรามองเป็นเรื่องการเปรียบเทียบมันจะทำให้เราพ้อใจนะหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีเราแยนะ่แต่ถ้าเรามองการปฏิบัติธรรมการภาวนาเนี่ยคือเรื่องการพัฒนา ภาวนาก็คือแปลว่าพัฒนาแต่คาว่าพัฒนาเรามามุ่งเน้นที่การพัฒนาจิตใจนะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาวัตถุหรือว่ารูปร่างหน้าตา่านะทางสังคมนะเพราะสมัยนี้นะบางทีชาวพุทธเรามาทาบุญมาบำเพ็ญบารมีอะไรก็แล้วแต่บางทีเป็นมุ่งเน้นที่วัตถุเข้าใจไหนะม เราทําบุญบางทีเราหวาาหังอยากจะรวยขึ้นเราทําบุญเราอยากจะมีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นเราทําบุญเราอยากจะให้ร่างกายของเราอายจากโรคภัยไข้เจ็บก็สิเน้นที่ตรงไหนเน้นที่วัตถุใช่ไหมเน้นที่วัตถุภายนอกหรือเน้นที่สิ่งภายนอกกันทั้งนั้นเลยอืมไม่ได้เน้นที่ด้านจิตใจแต่ที่จริง เพราะพระพุทธเจ้าคดีผสมต่างๆก็ดีท่านมุ่งเน้นที่จิตใจเป็ น, นนะสําคัญนะถึงนี้เป็นวัตถุเพียงแค่เรียกว่าให้มันพออยู่ได้มีก็มีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช่นะ่ะพอใจในสิ่งที่เรามีนะ่ะยินดีในสิ่งที่เราได้ถ้าเราไม่มีความสุขไม่มีความพอใจก็คือเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่าไร้ความ ไร้ความสุขก็ซื้อความทุกข์นั่นแหละะปมาได้อ่านหนังสือเล่มหนึน่งนะท่าอาจารย์งท่านท่านเขียนย่อๆนะนะเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสีพุทจ้ทนแสดงคำทั้งหมดนะตัวสำคัญนี่คือตัวอริยสัจสี่คือความจริงสี่ประการที่เราได้สวนเมื่อสักครู่นี่แหละนะมีอะไรทุกข์โง่ชัยโลก ลูกแตลว่าอะไรไม่ชอบใจใ ช, นะชอบใจไม่เป็นลูกใช่ไหม <c oughs> ลองดูเด็ชอบใจกับไม่ชอบใจอยูอย่ด้วยกันถึงว่าคนกับลูก หรือแฟนเขาก็เสียเสพทําให้เสียอะไรทั้งทุกข์ทั้งสุขด้วย่า <c oughs> บางครั้งเราเขาทำอะไรถูกใจเราก็มีความสุขใช่ไหมบางครั้งทําอะไรไม่ถูกใจก็มีความทุกข์แล้วที่เราถ้ามองว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยดังนั้นเราไม่ต้องมีรูปดีไหมเดี๋ยวน้ไม่เด๋ยวน้ไม่ต้องมีเขียนทาให้ทุกข์ใจหรือร่างกายอย่างเนี้ย ร่างกายนะมันไม่สบายเนะี่ยชอบใจไหยไม่ชอบนะนั้นไม่ต้องมีร่างกายดีไหมก็มีได้ไหมมีไม่ได้นะอืนั้นความไม่ชอบใจหรือความชอบใจคนระับบางทีมันก็เรื่องสิงเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเหมือนร่างกายเนะหรือ <c ười> ที่จริง แม้แต่จิตใจจิตใจเนาะมันคิดดีเราชอบใจไหมมันคิดไม่ดีเลยชอบใจไหมไม่ชอบนั้นแล้วความคิดเราบางครับได้ไหมไม่ได้ดังนั้ น, นที่จริงสภาวะทุกสภาวะทุกเนี่ย พระอาจารย์พระอาจารย์รุ่นหนึ่งท่านบอกว่าสภ า, า, า, า, า, าวะทุกเอาท่านอธิบายไม่แน่สภาวะทุกก็คือสภาวะที่เรียกว่าไราสุขไรความสุขไรสุขสมุทัยคือเหตุที่เกิดทุกใช่ไหมสมุทัยก็คือสภาวะที่แส ว, สวงหาความสุข สังเกต น, นะเพราะเราใจสุขเราก็เลยแสวงหาความสุขแต่ที่จริงเพราะว่าเรามวัวแต่แสวงหาความสุขนั่นแหละเราก็เลยเป็นทุกข์นิโลดนะนิโลดถึง ค, ค, ความพ้นจากความทุกข์มีโลดจริงๆก็แปลว่าสถานะที่เรียกว่าเป็นอารมณ์สุขเป็นสุขอย่างนี้นส่วน มัคคือทางทุ่งๆนยมัค ก, ก็คือวิถีแห่งความสุขถ้าความนี้พอเข้าใจนหะสังเกตดูนะเช่นทำไมเราถึงอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราก็เลยแสวงหาการทำให้ร่างกายของเรามันแข็งแรงมันมีความสุขเพราะเราอยาก เพราเราอยากหยุดพบจากความทุกใช่ไหมมาครวบบางคนนะมีโยมคนหนึง่งเขาเล่าให้ฟังบอกเขารู้จักคนคนหนึ่งนะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะอะตายเมื่อเมื่อไม่นานนี้แหละนะตายไปเพราะอะไรเขาเลยเปิดเทินดูเพราะว่าญาติาาพี่น้องคนทางบ้ า, านเอามาอื้นๆไม่ยอมบอกเพรเด็ขาก็เป็นคนพอจะมีคนรู้จากบ้าน ไปเซิร์ในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าเขาอายุเจ็ดสิบกว่านะเข้าไปโรงแรมข้างๆทางแค่เป็นดีสอด น, นะแล้วตรงมีเด็กผู้หญิงสามคนขี่มอเตไทคเข้าไปอยู่ในห้อง้างด้วยกันไปเปิดโรงแรมอยู่กับเด็กผู้หญิงสามคนพอออกมาสักสามชั่วโมงนะผู้หญิงก็ออกมาผู้ชายอ่ะยังไม่ออกมา เลยเวลาปพอสมควรพนักงานเลยไ ป, ไปตามดูปรากฏว่านอนตายแล้วยนในืนในโรงแรมทำไมละ่ะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเพราะเขาก็อยากจะมีความสุขใช่ไหมที่จริงจะเรียกว่าอันนี้สภ า, าวะที่ไปมีไปมีกิ๊กมีอะไรก็คือ สภาวะที่อยากจะมีความสุขบางทีก็ไม่ใคยตามนะแต่เราจะมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีดมากกว่าคุณผู้หญิงทั้ทงหลายเห็นกระ เ, เป๋าใบใหม่เราอยากจะซื้อใบใหม่ก็เพื่ออะไรเราก็อยากจะมีความสุข <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เห็นอาหารอันนี้น่าอร่อยเราอยากจะซื้อเราอยากจะชิมเพราะว่าเราก็อยากจะมีความสุขใช่ไหม เห็นเอ่อสมาเห็นสมาธิเห็นคนนั่สมาธิแล้วเขาดูน่าจะมีความสุขอยากมาลองนั่งกับเขาดูสิเอเพื่อหวังว่ามันจะมีความสุขเนี่ยคืที่จริงติ่งทั้งหลายทั้วงคนเราส่วนใหญก็คือแสวงหาความสุขกันทั้งนั้นเพราะว่าเนีที่จริงการแสวงหาความสุขก็คือการที่เรา ยังไม่สุขจริงๆก็คือเราไร้ความสุขจริงนะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าที่จริงเมื่อไรที่เราหยุดเสวงหาเมื่อไหรที่เราแค่พอใจอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเน่ะมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไม่ทุกข์ละมันจะมีความสุขเมื่อวานไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลอาการค่อนข้างหนักอย่าก็เคยไปสอนเขากฏจบัติธรรมอยู่เมื่อเดือนที่แล้ว คราวนี้เป็เจออีกนะเขาก็หน้าตาสุดชื่อเหมือนบานชึ่นนะบอกเเห็นไหมตอนเนี้ยความสุขมีง่ายขึ้นแล้วใช่ไหม <c ười> แค่ขยิมมือเคลื่อนไหวก็มีความสุขแล้วใช่ไหมความสุขแค่หายอยู่กับรมหายใจก็มีความสุขแล้วนะคือกลายเป็นคนที่มีความสุขทุกลมหายใจได้ลมนะหายใจก็เป็นเหตุ ให้มีความสุขได้นะเขาเขา้าใจอย่างนี้นะแม้ร่างกายยังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแต่พอจิตใจมาอยู่กับรมหายใจมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็พบความสุขไดนะ้อันนี้คือถ้าถ้าเราเห็นว่าที่จริงความสุขเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนไกลแค่กลับมาดูนะดูกายดูใจเนะ่ก็มีความสุขได้แล้ แต่มันต้องฝึกทั้หน่อยนะคือเราต้องกลับมาเห็นว่าที่จริงกายหรือใจเน่ยถ้าเราวางใจไม่ถูกมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราวางใจไม่ถูกมันก็เป็นสุขได้นะมันก็ไม่ทุกข์ได้วางใจแบบไหนที่จริงเราทุกข์เพราะเรายึดเรายึดมั่นถือมั่นนความสุขในปกติเน่เรามีอะไรก็เราก็สามารถมีได้นะ แต่เราทุกข้อใดข้อเรายึดว่าเป็นเป็นของของเราเป็นตัวตนของเรานะมันหายไปนถ้ามันหายไปเนี่ยมันก็จะทุกข์หรือถ้ามันกระทบกับเทือเนี่ยมันก็เลยเป็นทุกขแต่ถ้าเรามีตัวแต่ไม่มีตนเข้าใจนะเรามีตัวนะนตัวตัวมันมีอยู่แล้วนะ แต่ถ้ามันไม่มีไม่มีตนเข้าไปในตัวเนี่ยมันจะไม่ทุกข์มีแต่ตัวเฉดเฉดนะไม่มีตัวตนนะมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าอะไรมีทั้งตัวมีทั้งตนเนี่ยมันทุกข์เพราะมันไปยึดนะมันไปยึดนะเนี่ยตัวร่างกายเหมือนเป็นตัวนะเป็นรูปนะถ้าเรามีตัวเพื่อเป็นเสื่องตนึกรู้รู้ว่าตัวมันยังอยู่ในโลกนี้ รู้ว่าตัวมันกาลังทำอะไรนะแค่รู้ตัวเิยสนะมันจะไม่รู้มันจะเห็นตัวถ้าเรารู้ตัวเห็นตัวนะมันจะไม่ไปยึดว่าตัวเนี่ยเป็นเรามันก็จะเห็นเป็นเพียงแค่ตัวเป็นเพียงแค่รูปเป็นเพียงแค่วัาถูสิ่งหนึ่งมันจะมีสติที่เห็นว่าอ่อมีตัวที่มันทำนั่นทำนี่นะ ถ้าโดยผูดด้ใดสม ม, ะะนะมุตินะก็มีตัวที่กําลังยืนเดินนั่งนอนมีตัวที่กําลังฟังนมะันก็มีตัวจริงๆนะนะมีตัวที่กําลังนั่งฟังแต่มันไม่ใช่ตัวตนะมันเป็นเพียงแค่รูปมันเป็นแค่ตัวที่กําลังนั่งรู้สึกไหมมันมีตัวที่กําลังหายใจรู้สึกไหมนะนะอันนี้คือการมีตัว ที่ไม่ใช่ตนคือเป็นเพียง แ, แค่เครื่องระลึกรู้ว่ามีรูปอยู่ในอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่รู้ตัวคําว่าไม่รู้ตัวก็คือว่านั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่านั่งหายใจก็ไม่รู้ว่าหายใจเพราะอะไรเพราะเราลืมตัวสมมติเรานั่งแล้วเราคิดนั่นคิดนี่นรับเป็นเมืออ คิดไปถึงอดีตก็ตามคิดไปถึงอนาคตก็ตามนะก็ถือเราดึงตัวคําว่าอาดีตอนาคตเนี่ยโยมอย่าไปมองไกลเป็นวันเป็นปีหน้าหรือเป็นวันพรุ่งนี้นะแค่ชั่วขณะจิตนะขณนะจิตเนียก็บอกไม่ได้ว่ามันถ้าเป็นเปรียบเทียบกับสเกลในช่วงเวลาเป็นวันมันเรียกว่าอแต่รู้แต่ว่ามันเร็วมาก เสี้ยววินาทีก็ว่าได้คาว่าชั่วขณะจิตคำว่าเมื่อสักคู่เนะี่ยเมื่อตะกี้เนี่ยนะที่ได้ฟังไปแล้วนะเนี่ยถ้าเก็บมาคิดเนะี่ยก็คือว่าเราไปหลงอยู่ในอดีตแล้วเข้าใจไหอหรื อ, รอเราตั้งใจว่าจะดูวเดี๋ยวต่อไปมันจิตมันได้คิดอะไรเนะี่ยคือเราไปอยู่กับอนาคตช่วขณะจิตเนี่ยนะแป๊บเดียวนะอดีตอาานาคตเนะีนะ่ยเมื่อกี้เนะ่ะ เมื่อกี้ได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเลยไปคิดเราหลบไปอยู่ในปัจจุบันละหรือเราฟังแล้วเราอยากจะเข้าใจเราหลงไปอยู่ในอนาคตละอยากจะรู้เรื่องนี่คือชั่วขณะจิตหรือเราปฏิบัติธรรมถ้าเราเคยทำในรูปแบบนะขณะที่ก้าวเท้าปุ๊บกระทบปั๊บเนี่ยเราแช่สมรู้สึกตัวไว้ กับการสัมผัสเนี really? ่ยที่เราดึงปัจจุบัน่ะเราไปอยู่กับปฏิสระที่มันสัมผัสดึงขณะที่เราก้ามียังไม่จะทบเรามาคอยเจ้าองหรูอว่าเมื่อมันจะทบเราจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยลงไปอยู่ในอนาคตละเนี่ยช่วงขณะจริงจริงปฏิบัติจริงนะรู้รู้แบบไม่ต้องรู้ล่วงหน้ารู้แล้วก็รักอดีตไปพร้อมเลยก็คือเพราะว่าขณะที่รู้ ปุ๊เมื่อกี้มันจะเปลี่ยนขนาดจิตอันในอดีตไปแล้วมันก็เกิดจิตใหม่นะที่เกิดการรู้การเชื่อนรู้สิ่งที่ทําใหม่ไปเรื่อยนั้นที่จริงอดีตก็ตามนะก็ควรละไปเสียอนาคตก็ตามอย่าเป็นไปเข้าวงคือติ่ ง, ง ท, ที่มันยังไม่เกิดขึ้นแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่การยึดการฝึกสติจริงไม่ใช่การยึด แต่เป็นพียงแค่การรู้รู้ในสิ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคนเจ้าก็เลยสอนให้เราเรียนรู้ทุกนะเราหนีทุกไม่ได้เหมือที่ว่าเน่ยเราหนีร่างกายนี้เองก็ไม่ได้เราหนีคนอื่นในที่อื่นก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะพนจากทุกได้เราต้องเรียนรู้จากมันนะเรียนรู้จากมันเนี่ยมันจะเห็นในที่จริงทุกกับไม่ทุกนะมันอยู่ด้วยกันะเหมือนหน้ามือกำลังมือ มันเรียญสองด้านนะเราเจะเอาด้านเดียวไม่ได้หรอกนะแต่ทั้งเมื่อไหร่ที่เราเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเราจะพ้นจากความทุกขมันได้นะหรือ <c ười> จะเรียกว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเราจะมีความสุขที่เป็นบอดมบสุขดนะังนั้นสิ่งสาคัญคือมาเรียนรู้จากความทุกขนะ์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกาย ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อไรที่เราเห็นความทุกข์จะไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรที่เราไม่เห็นความทุกข์จะเป็นเราที่เป็นผู้ทุกข์เพราะว่เราจะไปอยู่กับความทุกข์แต่ถ้ามีสตินะมันจะถอนตัวเองออกมาเป็นผู้เป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูดูกายมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ดูใจมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ดูใจมันคิด ไม่ใช่ต่อคิดดูใจโกรธมันจะเห็นอยู่เพียงแค่สักแต่ว่าความรู้สึกสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าความคิดไม่ต้องเป็นคิดไม่ต้องไปรู้ก็ได้ว่า ม, มันคิดเรื่องอะไรนะหรือการรู้กายเองก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปรู้อะไรมากกว่าเพียงแค่รู้สึกน ะ, ะนั้นกรรมาฐานต่างๆเนาะจะด้วยรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญที่จริงคือเป็นการระ ล, ลึกรู้ว่าขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่ระ ล, ลึกรู้นะไม่ใช่คิดรู้ถ้าคนที่ปฏิบัติจะเข้าใจว่าการแค่รู้สฉยเฉยรู้สิเสยเฉยกับการคิดว่ากาลังทำอะไรเนะี่ยมันจะต่างกันรู้สิเสยเฉยกับกาลังคิดว่าเรากาลังทำอะไรเนะี่ยมันจะต่าง ลองฝึกดูให้รู้เสยๆลองขั้นแรกสำคัญคือฝึกสติให้รู้ิิยๆให้ได้มากที่สุดนะรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจตั้งมั่นรู้แบบเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูมันะดูกายดูใจมันทำงานมีผู้รู้ที่คอยดูทุกอย่างนะทุกอย่างจะแสดงความจริงให้เห็นว่าอะไรถึงที่รู้เกิดขึ้นมา เดี๋ยวก็ดับไปมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างเลยนะเอหายใจเข้าดูแล้วหายใจออกดูแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเราก็องเพียงแค่รู้แล้วก็ทิ้งดูแล้วก็ทิดความคิดก็เหมือนกัน ma, เกิดขึ้นมาดับลงอารมณ์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยพัก อัญญากคอัญญาท่านเห็ความจริงตรงนี้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทำพัวมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเห็นตรงนี้นอะออมีพิษุณีองหนึ่งเหมือนกันพอท่านอละสังขารไปท่านก็เป็นพูดสดเย็นมาพูดเออพูดแบบนี้แหละนอกจากทุก มีเพียงแค่ทุกข์ที่เกิดขึ้นมีเพียงแค่ทุกข์ที่ตั้งอยู่มีเพียงแค่ทุกข์ที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นก็เพื่ประมาณนะเนี้ทั้นทุกอย่างนะไม่มีอะไรไปมากกว่าเพียงแค่สภาวะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหน้าที่เราถึงแค่รู้แค่ดูเขาแค่เห็นเขานะมันจะไม่มีเราเข้าไปยึด เมื่อไม่มีเราเข้าไปยึดก็ไม่มีเราที่เข้าไปเป็นทุกๆ์มันเป็นเพียงแค่สภาวะความทุกข์ที่มันที่ว่าเรียกว่ามันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรางไปครับเหมือนเรามองดูมองลูนน้ำนะวันนี้ก็เป็นน้ําแต่จริงเขาก็เปลี่ยนเป็นไอน้ําเปลี่ยนเป็นก้อนเมฆตกลงมาเป็นน้ํา อยู่ในตกอยู่ในดินแล้วก็เป็นน้ําบ่อนะเราสูบมาอยู่ในบ่อ น, น้ําก็จะเป็นน้ําในถังของเราเราเอาแบบกองเป็นน้ําดื่มแล้วก็บอกเป็นน้ําดื่มแต่จริงมันก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจนะัยอันนี้คือความจริงความจริงของอไหลของรูปของน้ำ พระเจ้าท่าแสดงความจริงให้เราเห็นเนะี่ยท่านไม่ได้ทําให้กับเรานะแต่เพียงแค่ท่านชี้ทางให้เราเห็นว่าเราต้องทําแบบนี้ครับถ้าเราทําแบบนี้เราจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็ได้ย้อนกลับมาอีกที่บอกว่าดังนั้นวิถีการปฏิบัติธรรมวิถีของมรรคจริงๆนะมรรคว่าพระอาจารย์หลวงพ่อเดชนะบอกบอกมรรคจริงๆคือวิถีแห่งความสุข นั้นการปฏิบัติธรรจริงคือวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะเราจะพูดว่าวิธีการใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกข์นั่นแหละคือวิธีของมรร น, นั้นการภาวนาเราอย่าไปคิดว่าเราต้องทําให้มันแบบจริงจังเครเครียดนะทำแบบทนทุกข์นะไม่ใช่นะภาวนาจริงๆคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย ใชชีวิตอย่างสบายนะไม่ซึร่งเครียดไม่จริงจังแต่ต้องวงเล็บไม่ใช่ไม่ใช่สุขแบบดึงตัวนะไม่ใช่สุขแบบสนุกสนานจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่ใช่เป็นผู้สุขกนะแต่เป็นการใช้ชีวิตที่เห็นว่านะเป็นสภาวิธีปฏิบัติธรรมแบบสบายสบา ย, บายนาะนะ บางครั้งมันไม่สบายก็เห็ น, นเห็นความไม่สบายแต่ไม่ใช่เราเพราะว่างทีปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะสบายตลอดมันม่วงนอนถ้าเรามีสติเราจะเห็นสภาวะความม่วงนอนมันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็จะคิดว่าความง่วงเนี้ยจะไม่ชอบ แต่จริงความ ง, ง่วงนะมันก็เป็นธรรมชาติถ้ามาตอนนี้เราก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหอแต่ถ้ามันมาตอนคืนก็ชอบใช่ไหมควอมหิว ก, ก็เหมือนกันนะโย่ถ้าหิวข้าวไปอยู่วัดนะตอนเย็นนะหิวข้าวอาจจะไม่ชอบเนะไม่มีข้าวให้กินเอแต่ถ้าโยมมาอยู่ที่ร้านอาหารถ้าโยมไม่หิวข้าวดีไหมอาหารเต็มโต๊ะเลยแต่มันไม่หิวมัน ก, ก็กินไม่ได้นั้น ความหิวมันก็เป็นธรรมชาติความง่วงก็เป็นธรรมชาติเราลองดูมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคำว่าธรรมะหลวงพ่อพื่ท่าหล่แปลอย่างก็คือธรรมดาธรรมดามันเป็นเช่นนั้นของมันเองมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นของมันเองเมื่อไรที่เราเข้าใจธรรมะก็คือเราเข้าใจความเป็นธรรมดาของ ดด ots, นน word, ที่ตันตาน่นและถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นธรรมดานั่นแหละคำว่าไม่ยอมรับความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาตินั่นแหละมันคือเหตุของความทุกข์ความทุกข์ใจไม่ใช่เพราะว่าร่างกายเราแก่ไม่ใช่เพราะร่างกายเรงเจ็บไม่ใช่เพราะร่างกายเราตายความทุกข์ใจไม่ใช่เพราะว่าถูกคนด่าถูกคนนินทาหรือของรักของชอบใจหายไป แต่ความทุกข์ใจเกิดเพราเราไม่ยอมรับความจริงนะความจริงมเป็นแบบนี้ถ้าเรายอมรับนะมันไม่ทุกแต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันทุกนั้นปฏิบัติธรรมนะก็คือการเข้าใจความจริงแล้วก็ยอมรับมันนั่นแหละทะนั้นเราเพียแค่ดูเนาะวิธีปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนปวดเมื่อยหิวปวดหัวดูไปทุกอย่างนะ อาจารย์ชอบหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อบางเขียนนะครับให้รู้แบบตะพื้นตะคือเข้าใจนะตะพื้นตคือภาษาแบบบ้านๆนะรู้ไปแบบรู้ไปเรื่อยอ่ะไม่ต้องไปอะไรอแค่รู้น่ะคือบางทีภาษาเส้นเท่นะก็แค่รู้แค่รู้เฉยนะคือจริงๆมันคือสภาวะอะไรก็อะไรต่างๆจะขึ้นเพแค่รู้ งปัญหาองนักปฏิบัติธรรมคือไม่ใช่แค่รู้แต่เราชอบไปรักทุกไปแก้ทุกพระเจ้าท่ามีสอนให้รักทุกแก้ทุกนะท่านให้รักเหตุของความทุกเหตุของความทุกคือความอยากจะมีความสุขนะหรือว่าความไม่ชอบความทุกนะั่นคือเหตุกัญหานะ การมติหาคืออยากได้ความสุขในาตามตามูจมูกนิ้วไก่ใจอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะพอเป็นนักปฏิบัติธรรมก็อยากจะเป็นผู้ที่มีผู้ที่สามารถแยกยุบนามได้พอเป็นนักปฏิบัติธรรมก็อยากจะเป็นพระโสดาบันให้ได้นะเออพอวฏิบัตินานไปก็อยากจะเป็นพระอรหันต์ให้ได้ใช่ไหมคืออะไร คือตัณหาคือตัณหาแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยนะเป็นคนธรรมดาลเพียงแค่เรียนรู้เฉยๆนะมันไม่มีความอยากมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นไม่เป็นอ่ะมันทุกข์มากนะแม้แต่เป็นนักปฏิบัติธรรมแม้แต่เป็นคนดีแม้แต่เป็นตาเป็นชีถ้าเป็นไม่ถูกเนี่ยทุกข์มาก แต่ถ้าเราเพียงแค่ว่าเป็นโดยสมมตินะเป็นในการที่เรียกว่าเราจะได้มีเวลาเพื่อภาวนามากขึ้นเนะี่ยมันจะเป็นผูกก็มันจะไม่ผุกเพราะว่าดูไปเรื่อยๆชี้เจดนะดูทุกอย่างเ็าแสดงบนเรียนไปเรื่อยเนะี่ยมันจะไม่ทุกนะแต่ถ้าเราเป็นไม่ผูเราจะป็นยะึดนะเพราะความอยากนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาหรือเพราะความไม่อยาก ความไม่ชอบนะนะไม่อยากจะได้ความทุกข์นะไม่อยากจะเจอกับอารมณ์ที่มันไม่พอใจนะก็คือความอยากกับความไม่อยากคือเหตุของความทุกข์ท่านให้รักตรงนี้นะนะไม่ใช่รักโลกหนีโลกไม่ใช่รักหน้าที่การงนานหนีหน้าที่กลรงนานไม่ใช่ให้รักนะดั้งกายไปฆ่าตัวตายหนีชีวิตที่ไป ไม่ใช่ลกแบบนั้นแต่ละความอยากเนี่ยคือเหตุของความทุกข์นั้นภาวนานจริงๆนะเนี่ยคือดูทุกข์แล้วก็ละเหตุของความทุกข์จะเข้าพบความไม่ทุกข์ชีวิตจะมีความไม่ทุกข์ก็คือความถูกขิทแท้จริงนี่คือคืออายสัสสีนะที่พระพุทธเจ้าท่านท่านสอนพวกเราไว้นะก็ให้พวกเราเอาไปใช้นะในชีวิตของเรานะ ชีวิตจริงๆก็แหละคือชีวิตการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมตอนช่วงเวลานี้นะหรือช่วงที่เรานั่งสมาธิเราเลยจงกงรมือเราไปอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมจริงๆเนะ่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับโยมไม่ใช่แปดโงเช้าถึงสี่โมงเย็นเลยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือ การทำกายวาจาใจนะให้ถูกทำคนะำว่ามั่ามั้ะสัมมานะนะแต่ว่าถูกต้องถูกทำก็นะคือกายวาจาใจเราออกกายวาจาใจของเราทำกรรมนะแต่เป็นกรรมที่เหนือเหนือกรรมนะฟังอาจจะงงแต่ก่อน มันเป็นเราแต่ก่อนเป็นเราทํานะนะเราทําเราพูดเราคิดเราทําดีเราทําทไม่ดีแต่ที่จริงกรรมฐ า, านจริงเนะเรียกว่าเหนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดนะเหนือการเป็นนั่นเป็นนี่การเหนือก็คืออะไรเหมือนเราขึ้นฝั่งมาอยู่บนฝั่งนะ แต่ก่อนเราจมน้ําก็อยู่ใต้น้ําแต่ก่อนเราคอลอยคอนะก็สีสัดพ้นจากน้ําแต่ด้านตายหมดก็อยู่ใต้น้ําแต่พอเราพัฒนาไปเรืยเราขึ้นสั่งมาได้เนี่ย่าพ้นจากน้ํานะน้ําในที่นี้คือวัตะุส่งสารนะคือกิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยเราจมอยู่ประมันเราฝึกเรื่อยเรยให้เราลอยคอได้ฝึกเรื่อยๆก็คือไหวเข้ามาหาฝั่ง ขึ้นจากฝั่งได้ก็คือทําหน้าที่เท่นี้แหละมันถึงจะพ้นน่ะถึงจะค้นจากทุกการปฏิบัติธรรมก็คือเนี่ยแหละรัะไปในทีละขั้นมาแต่การปฏิบัติธรรมมัก็ดีนะโยมนะมันไม่เหมือนเราทํางานนะเป็นลูกจ้างก็จะได้เงินเดือนอนะ เ, เป็นมีบ้างเป็นปัก บ, บ้างเป็นเดือนบ้างกว่าจะได้เงินเดือนก็ต้องผ่าตัหลายวัน กินข้าวนะก็ยังต้องกินต้องหลายคํานะกว่าจะอิ่มแต่ภาวนาเนี่ยแค่รู้สึกตัวขนาดนึงเนี่ยมันตก็ไม่ทุกแล้วนะมันเร็วนะแล้วก็ได้ผลทันทีแต่ทีนี้ว่าจะให้มันไม่ทุกตลอดมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าตัวสติตัวผู้รู้มันก็บังคับไม่ได้ แต่ต้องเข้าใจตรงนี้นะตัวผู้รู้ตัวสติมันก็เป็นเพียงแค่เกิดขึ้นหนึ่งขนาดจิตมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นตลอดอันนั้นผู้รู้ก็ดีหรือความหลงก็ดีมันก็เป็นเพียงแค่ขนาดจิตหนึ่งรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่มีอะไรเทียบมันมีเพียงแค่ตภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จับไปนะ่ะดูตัวเนี้ยแค่ได้บ่อยๆเราจะเข้าใจว่า มันไม่มีตัวเราไม่มีขอบของเรามันมีแต่รูปมัมีแต่นามมันมีแต่สภ า, าวะตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่จากไปของรูปของนามเท่านั้นเมื่อไม่มีเราไม่มีขอบของเราก็ไม่มีจิตเป็นเกิดในภพภูมิไหนไม่ว่าจะเป็นสุคติหรือทุตติมันไม่มีคล้ายๆ มีคนถามพระเจ้านะว่านิพพานเป็นแบบไหนพระเจ้าบอกเวลามีเทียนนะ ม, มีไฟมีควันเนะมื่อมีเทียนเวลาจุดไฟมันก็มีเปลไฟมันก็มีควันแต่ถ้าเทียนเรื่งนั้นมันหมดเชื้อนะไม่มีตัวเทียนไม่มีตัวไส้แล้วไฟ แล้วก็ควัน ม, มันหายไปไหนมันหายไปไหนเขาเขาเันไม่มีที่ตั้งไม่มีเหตนนะุมันก็ไม่มีสภาวะที่จะไ ป, เ, ปเกิดเป็นอะไรเนะี่ยนี่คือพเราเห็นความจริงแนละ้วอ๋อมันไม่มีเราไม่มีเขาโดยความจริงแท้อยู่แล้วมันนั้นที่จริงปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการละตัวตน เพราะตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีมันมีแต่รูปมันมีแต่นามเพราะฉนั้นปฏิบัติไม่ใช่การละตัวตนแต่การเป็นการเรียนรู้เท่าทันเมื่อเกิดการสร้างตัวตนขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเห็นการสร้างตัวตนผ่านความคิดผ่านการปรุงแต่งตัวตนมันก็หมดไปไม่ใช่การละเพราะเราเห็นความจริงว่าที่จริงตัวตนจริงๆมันไม่มีมันเป็นเพียงแค่สภาวะ นั้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่การละเปลือกตนแต่เป็นการเห็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วตัวตนมันไม่มีมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันมีแต่ตัวที่จัดเป็นรูปแต่มันไม่ใช่ตนมันมีแต่เพียงจิตที่มันรับรู้ที่มันปรุงแต่งที่มันิดจำที่มันสเบิดพัฒนาต่างมันมีแต่สภาวะรูปนามพันท่านะ ก, ก็ พูดยังฟังด้วยเกืียดกัจับอะไรใดก็เอาไปใช้เด้อยกันนะอ่าก็ฟังไปให้เป็นสื่อมประกอบไม่ได้ยินเรื่อฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างท่านหัวมันนะเออันนั้นเข้าใจตัวอาตมาเข้าใจคำพูดอาตมาไม่ได้สำคัญเข้าใจตัวเองสําคัญกว่าเข้าใจเองไงฟังองง รู้ว่างงฟังวเก็ดก็รู้ว่าเก็ดฟังดมงว่วงอก็รู้ตัวว่าง่วงไม่ใช่พระท่านเทศม่วงเนี้ไม่รู้ตัวจริงๆนะถามว่าสนุกอ่ารู้ตัวว่าสนุกเอ้ไม่ใช่เป็นพระเรีในนัานเทศสนุกเหมือนมีคนถามวก็เทียนถามก็เทีย น, ยนว่าทำไมพระอนุนท่านถึงแบบ เป็นพระลหันแบบช้ามาก ừ, ท่านฟังพระพุทธเจ้าท่านจำพระพุทธเจ้าสอนได้แบบเยอะมากกว่าท่านจะบรรลุเป็นพระอะหันเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องปฏินิพิานก่อนสมวพ่ อ, พอเตียนเลยตอบว่าพระอานนท์ท่านรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าท่านจดจําคำพูดพระพุทธเจ้าได้เยอะแต่ท่านไม่รู้จักตัวเอง ừ, ตอบเรื่องพระพุทธเจ้าท่านิพัานแล้ ท่านพรู้จักตัวเองไม่เห็นตัวเองถ้านเลยเป็นถึงคนจากทุกจริงๆดังนั้นจึิงนะไม่ต้องไปจำพระไตรปิฎกอะไรมากมายนะครูบาอาจารย์สอนอะไรก็รู้บ้างไรู้บ้างไม่เป็นไรแค่รู้จักตัวเองให้ชัดเนี่ยนะมาถึงเป็นคนอย่างพรนะอานนท์ท่านรู้เยอะนะแต่จริงท่านก็ไม่ได้ทุ้มากเท่าไหร่นะแต่ท่านอาจจะไปไปสนใจ ผู้วิจัามากกว่าตัวเองก็เลยช้าหน่อยนั้นพวกเราเนาะอะไรก็เพื่อแต่นะฟังคาฟังคนด่าเห็นคนบ้าเห็นคนดีเห็นของสวยของไม่สวยเนี่ยกลับมาดูความรู้สึก่อนตัวเองเนี่ยเนี่ยได้กำลังยังไงนะอืเห็นคนบ้านนอ่ า, าเออเห็นตาที่มันเห็นเห็นใจที่มันรู้สึก อาจจะหัวเราะเขาเป็นบ้าทำไมเนื้อตัวไม่ยอมอ า, อาบน้ำสกรปรกแต่มันชอบอใส่อะไรประดับคิดว่าจะเองห่อจะเองสวยนะมีไห ม, มาบางทีญาติโยมบางคนก็คล้ายๆเป็นบ้านะอะไรเป็นบ้าอะไรตัวจับบ้าบานไหมบ้าบนคือพวกอะไร ชอบใส่เสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆดีๆแต่เนื้อตัวไม่ค่อยทำความสะอาหดหรืออะไรทำแต่บุญนะแต่ไม่รักบาปไม่รักกิเลสทาบุญแบบขอนะขอให้รวยขอให้สวยขอให้แข็งแรงขอให้เกิดเป็นสวรรค์นะคือทำบุญแต่แ ต, แต่สะสมความโลภใช่ไหม คือทำบุญก็ต้องสะสมความ่ีพอใจสวายอาหารค่ะหลองพอ่อที่หนูซึ่งมาต้องแทนนะดีๆทำไมไม่กินล่ะแบรนอย่างดีเลยนะนี่ยปลาแซลมอนนะหลวงพ่อชอบอ <c oughs> อมังคิกเออเคือยังทำบุญก็แล้วก็ยังเนี่ยหงพ่อไม่กินก็ม่พอใจใช่ไหม เพราะจะเห็นไนของเราอยู่ไม่ใช่ทำบุญตลาดนะตลาดนะนี่คือมาเกิดว่าคนหลายคนก็เลยไม่ได้บ้ากบบเสียสติแบบนั้นนะแต่ประมาณว่าเราทำบุญเหมือนก็เรามีเสื้อผ้าใหม่หม่มีสิ่งสวยๆแตเป็นภายนอกแต่เนื้อตัวเราไม่ทำความสะอาดไม่ละ ก, กิเลสไม่ละอ่า โลโก้โดมในใจของเรามันก็เหมือนเสื้อผ้าข้างนอกจะสะอาดข้างในนะแต่มาโดมเลยที่มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะเพราะกิเลสเราไม่ละนั้นภาวนาจริงๆนะมันเป็นทั้งการละกิเลสขัดเนื้อขัดตัวมีแผลตรงในรักสายให้มันหายนะแล้วก็ใส่เสื้อผ้า ท, าที่อาจจะไม่ต้องงามมากก็ได้นะไม่ต้องแบบไปทําบุญเป็นเจ้าภาพกัดขินถวาย เนี่ยสร้างบวดเป็นหลายๆตก็ได้ทำตามกำลังที่เราทำได้เสื้อผ้าอาจจะไม่ได้สวยมากไม่ได้แพงมากแต่เพียงแค่ขอให้มันสะอาดแล้วก็อยู่ในเนื้อตัวเราที่สะอาดเนะนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่เนี่ยเขาถึงความสะอาดความบริสุทธิ์ความหมดจดในทางพุทธศาสนาเลยครับเน่ะก็ปากไว้